คอาเทียบเคียงเรื่องกิเลสกับเราก็เทียบเหมือนกับแม่เนื้อกับนายทานแม่เนื้อหากินเกินแล้วนายทานยิ้เอายิ้มออกยินจนกระทั่งแม่เนื้อตายแม่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่าใครเป็นคนยิ้ ใค้เป็นคณทำลายตัวเพราะไม่มองเห็นในการเห็นแต่ยิงตั้งมาก็าถูกแล้วตายตัวที่เห็นก็คือตัวที่เจ็บย่างมากาแค่เห็นปฏิปัญญาที่เจริเลยนั่นไม่มีเราวก็ถูกแต่ กิเลยิงเอาให้เกิดความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่พาะอย่างยิ่งกับคุยจิตถือกิเลยิงเอายิงเอานะไม่รับแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เป็นมาจากอะไรเป็นมาจากลูกศรของกิเลท่าจึงต้องเรียนวิชา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 วิชาที่เรียนเพื่อจะรู้เรื่องของกิเลสนี้ก่อนมีหลายประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงจริงท่งานสอนเรื่องสมาธิเพื่องปัญญาอันนี้เป็นอาวุธที่ทันสมัยหีืเป็นเครื่องแก้ที่ทันสมัยที่จะปราบกิเลสตัวทําลายสัตว์โลก ให้รับความทุกข์ความลำบากเยนว่าตายเกิดนวิวตะสงสารม่แล้วไม่เหล่าสถิแล้วไม่มีต้นมีกายถ้าเรามีเครื่องแก้แล้วก็เป็นอันว่าอนันตาการหาเรื่องเวลาไม่ได้การแก้กิจใดการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนการเรียนในรู้เรื่องของตัวเอง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 จิตมันแสดงอาการแงงอนต่างๆเน้นแงตั้งแต่กลม า, ายาของดิเรที่พาให้แสดงทั้งนั้นตามธรมรมดาของจิตแล้วจะมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆแสดงอาการพลิแปลงเลี่ยนแปลงไปต่างๆในแง่ดีแง่ร้ายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกจากจิตและมีอันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องตักดันออกมาให้คิดให้ตุงให้พูดให้ทาเช่นนั้น ท่านผู้ตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆแค่นักบวชมีเวลาตัวเฉพาะกับงานอันเดียวเร้สิดว่าสะดวกมากกว่าคารว่าดูพอสมควนอย่างนี้หากจะตั้งหน้าต่างตาถุกปฏิบัติเพื่อกําจัดจริงๆตามหน้าที่ของตนนักเพศของตนซึ่งบอกไว้แล้วว่าเพศนักบวชแต่ไม่ไม่ว่าใครมันก็พ้นอานาจของความขี้เกียจอ่อนแอไปไม่ได้ กแนวลบไปแล้วเนี่ยจะนอนหลับคร อ, อบอยู่ในแนวลบไอกิเลสมัยนยิงเอายิงเอามี่เปนจำนวนมากนะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีความตื่นเนื้อตื่นตัวมีความขยันหมั่นเพียรสถานที่ใดที่จะเป็นเครื่องดัดชั้นดานกิเลสซึ่งถือว่าเป็นตนก็อสอนให้ไปอยู่สถานที่เช่นนั้นนี่ได้เคยเห็นผลมาตามกําลังประจักษ์ใจด้วย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 และมีความรู้สึกแตกๆขึ้นมาส่วนมากก็เป็นความระมัดระวังตัวพอเราไปหาที่ระวังตัวไม่ไปหาที่นอนใจคือหาที่ตั้งใจระวังตัวมีสติกลางวันก็มีสติเพราะความกลัวสิ่งแวด ล, ล้อมมันบังคับอยู่ตลอดเวลาในที่บางแห่งห่างจากหมู่บ้านทั้งเจ็ดแปดกิโลก็มีแล้วในป่าในเขาด้วย ที่เช่นนั้นถ้าเราไม่ออกมาเกี่ยวต้อหมู่บ้านเช่นมาบินพบาทก็ไม่มีวันที่จะพบจะเจอคนเลยเพราอยู่ในป่าในเขาและเป็นที่เฉพาะซึ่งไม่ใช่เป็นทาเลหากินของเขาเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งของเราไปไปยุ่งเราแม้เขาจะผ่านไปเขาก็ไปที่อื่นไม่ไปเกี่ยวข้องกับเราจรึงไม่มองเห็นใครนอกจากเสียงสัตสถานที่ก็กสงบเงียบเป็นที่น่ากลัวอยู่แล้วและมีน้ำซ้ำสิ่งที่ เราหน้ากลัวก็แสดงออกมาเึ็นเสียงเสือเป็นต้นร้องคำรามต่างๆตามภาษาของมันแหละนิสัยของคนเรามันก็ต้องเป็นไม่ว่าตัดมะคนสิ่งที่น่ากลัวก็ต้องตัวเมื่อความกลัวเกิดขึ้นเราไม่มีที่พึ่งเพราะเจตนาของเราก็าไปเพื่อพึ่งตนเองไม่ได้หวังจะพึ่งากาตราอาบุธใดๆทั้งสิ้นพึ่งอัดพึ่งทำ พึ่งตัวเองด้วยอดด้วยทำเป็นเครื่องมือหรืเป็นที่เกาะที่ยึดจิตใจจึงหมุนตัวเข้ามาสู่ภายในจะเป็นกับตายก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นแม่เสือจะเดินเข้ามากัดกินตัวเราในขณะนั้นก็ไม่ยอมที่จะไปคว้าเอาดาะอาวุธเรื อ, อไม้เอาอะไรมาตกมาตาีเป็นเครื่องต้านทานเลือกเป็นการต่อสู้หรือป้องกันตัวเลยขอปล่อยให้มันตามธรรมชาตินั้น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 อยู่ในนั้นให้ยอมเถอจิต ท, ที่มีสติจิต ท, ที่มีสิ่งแวดล้อมน่ากลัวเข้าเกี่ยวข้องย่อมเป็นจิตคิดตั้งตัวได้ดีเป็นจิต ท, ที่ระมัดระวังความละมั่ระวังเป็นเรื่องของสติละมั่นระวังอันนี้ไม่ใช่ละมั่นระวังเพื่อจะแห็นหนีไปไหนละมั่ระวังเพื่อรักษาจิตใจแม่เพื่อนคลาดออกจากหลักธรรมซึ่งจะทําให้เสียหลักไปได้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 กิเลสเหมาะในเวลาเช่นนั้นบางทีทําท่าจะเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทําท่าไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาจริงๆคือสงบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนความรู้ล้นลวนนั่นกับเป็นความรู้ที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทราบว่าความชิ้นกิเลสเป็นยังไงได้ยินแต่ครูอาจารย์ทั้งหมดความรู้ล้นล้วนเราก็เลยถือความรู้ล้นวนนั้นปั้นความรู้รล้วนเสรจคามรู้ลนล้วนขึ้นมา ว่าเป็นพระสารน้อยองค์หนึ่งนะี่นะคือไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแตความรู้เด่นทั้งกลางวันกลางคืนนั่นละสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่รื่นเริงจะไปไหนก็เป็นความอะไรเสียดายหรือว่าความเพียรจะไม่ก้าวหน้าเหมือนกับอยู่สถานที่เช่นที่นี้นะทาให้มีความรื่นเริงบันเทิง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 ภัยสำคัญก็คือกิเลสที่เสียบแทนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภัยอย่างยิ่งภัยอันนี้เป็นภัยรื้อรังไม่เวลาจะหายได้เลยถ้าไม่มียาธรรมโอสถจำต้องกัรเข้าไปแก้จนกระทั่ง่าให้หาขาดไปได้จะไม่มีวันหายจากภัยอันนี้เลยนี่ที่จะต้องไปพิจารณาบ้นคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสำคัญ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 ถูกมจริงของตัวเองจิตก็สง่าถาเผยอะไรเป็นกิเลสเราอ่านในคัมภีร์บาลานสาหรับตำลา่อาอ่านมาถ้าจนพอความากิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองเนี่ยสิ่งที่ให้เกิดทุกข์แก่สัก์ิ์ชื่อกิเลสไม่เกิดไม่ทําให้เกิดทุกข์ตัวกิเลส จ, จริงๆนั้นทําให้เกิดทุกข์ได้แล้วตัวกิเลส จ, จริงๆคืออะไร นีอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นภาชนะของขตกปรสิรสกตกโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงต้องพยายามชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกทําอันเป็นคู่ควรแกใจยอย่างนี้เข้ามาแทนที่โดยลําดับลําดับขับไล่สิส่งที่สกปรกนั้นออกไปด้วยสติด้วยปัญญาตัฐาความเพียวพิจารณาให้เห็น ความจริงที่มีอยู่กับตัวทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องความทุกข์ลัมากเห็นประจักษ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนในร่างกายก็แสดงให้เห็นอยู่จิตที่ไปยุ่งกับริงใดก็ปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจก็รู้อยู่เห็นอยู่นี่แหละภัยมีอเท่าไหนเป็นสำคัญพิจารณาสร้างปา ช, ช้าขึ้นด้วยตัวเองนี่แหละมันดี คือสร้างป่าช้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องป่าช้าคูความตายให้ี่เลสสร้างให้มันไม่สิ้นไม่สุดให้เราสร้างด้วยปัญญาของเรามาป่าช้าอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่เราเอากาหนดลงให้เห็นชัดเรื่องป่าช้ามีอะไรตายจริงๆเหรือดูลงไปกลัวกันนักกันหนาในโลกกระถ่งกลัวแต่เรื่องตายใครมาบอกให้กลัว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 ดูธาตุสีดินน้ำลมไฟจกะกวางยิ่งร่างกายของเรานี่ยรวมอยู่แล้วในเป็นธาตุสี่ธาตุดินคือส่วนที่ขนแข็งนีในร่างกายนี้ท่านเรียกธาตุดินน้ำเราก็ทราบแล้วว่าน้ำอะอะไรมีอะไรบ้างมีน้ำลายเป็นต้นแหมลมไฟมีอยู่ในนี้อะไรตายเอาแยกออกไปให้เห็นปัจฉาของสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าว่าสิ่งนี้ตายจริงๆแล้วมีปัจฉาจริงแล้วดูเอเวทนาตายแล้วที่เผาสพ ข, ของเวทนาอยู่ที่ไหนะ ชันยาเวลามันดับไปแล้วมีสถานที่เผามันอยู่ที่ไหนทั้งขาเวลามันดับไปแล้วสถานที่เ้าศพมันอยู่ที่ไหนบินญาณเวลามันตายแล้วสถานที่เ้าศพมันอยู่ที่ไหนร่างกายของเรานี่เวลาตายแล้วสถานที่เผาศพจริงมันอยู่ที่ไหนเผาลงไปน้ะมันก็ไปเป็นดินนั่นแตเผาดินเฉยๆนะแล้วจิตล่ะ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 ถ้าติภายในจิตใจว่าไม่มีอะไรตายนอกจากความสาคัญของจิตที่หลอกตนมาเป็นเวลานานนี้เท่านั้นแล้ะผู้นี้แหละผู้หลอกแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้กลัวแล้วผู้นี้แหละเป็นผู้ทุกข์ถ้าสีดิน้ำ ล, ลงไปเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ผู้ที่หลอกตัวเด็กนี้แหละเป็นทุกข์ให้เรียนให้รู้ที่เรียนอธิบายอ้าวการมันสะหลายลไปจริงจริงๆแล้วความมั่นหมามันก็มีมมป่าช้าเหมือนกัน มันเกิดขึ้นจากใจเป็นความสัมพันธ์อันห น, หนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากภายนจิตเรียนเข้าไปให้ถึงจิตแ ย, ยกดูธาตุดีน้ำลงไปปกติก็เป็นธาตุอยู่เช่นนี้ถลายองไปก็เป็นไปเป็นธาตุอยู่เช่นนั้นจิตเวลาหลงก็เป็นธาตุมโนธาตุอยู่เช่นนี้เวลารู้ก็เป็นมโนธาตุอยู่เช่นนี้เป็นแต่เพียง ว, ว่ารู้ด้วยความบริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนจริงๆในรู้เนี่ยมีความแปลกความหรอือมี ความรุงโร่งแข็งอยู่ผิกันเท่าไงนี่ไงวะเรียนความตายความตายอยู่กับเราเรากลัวอะไรเรียนลกให้รู้ให้ลู้เรื่องของความกลัวเมื่อรู้ชัดเจนแล้วความกลัวก็หายไปอะไรมันไม่ตายดังที่ว่านั้นมันเป็นเพราะความสําคัญความสำคัญก็ต้องถือเป็นค่าจิทต่อเราถ้าโกหกเราน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 เมื่อเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่สะเทือนจิตใจไม่หวั่นไม่ไหวเป็นธรรมทั้งดวงที่ว่าวิเลณนี้แต่ชื่อนะตัววิเลณอยู่ที่ไหนกระจังที่ว่าเนี่ยตัวหลอกนั่นแหละคือตัววิเลณเราจะเข้าใจว่านั่นเป็นเราเลยถ้าเราเข้าใจนั่นเป็นเราแล้วก็หลงเชื่อมอีกเราเราหลอกเรานแล้วเชื่อเราเรื่อยๆไป หาที่ยับยั้งไม่ได้นหมนก็ตายตื่นตูมมืทางก็ต่ายตื่นตูมก็เป็นคติได้ดีนอนหลับนอนฝันูไม่รูเรื่องดูราอะไรลมพัดมาบ้างอาาถูกการลอลงมาถูกกานตานตกโป๊างมาเอาุมลงมาของนั้นก็ตายแบบสะ ด, ดุ้งทั้งหลับโดดวิ่งเลยแต่ตัวนั้นถาม วิ่งอะไรก็ผ้าถล่มบ้าถล่มไปพวกที่หลงตามมันก็วิ่งไปขาหักแค่หักก็ไม่ถอยและวิ่งไปค้านไปจนกระทั่งไปถึงพระยาราชศรีพยาราชาศ ร, าาชาศรีตะวักขูวิ่งอะไรวก็วบ้าถล่มใครบอ ก, กบอกามม้าถล่มเวลาถามหาความจริงจริง้าถล่มยังไงใครเปงนคนว่า ก, ก็มาจนกรอกคืจกากระตายไล่ไปดูไปดูที่ไหนได้ มีมตูมลูกหนึ่งมันหล่นตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นมงอ่ะแน่นั้นก็พกสัดที่เื็นหลงตามกะตายก็เจ็ บ, บแผงเจ็บขาขาหักไปมันมีเยอะไง ต, ตายตื่นตูมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความแต่ความเจ็บความตายหลงไปเรื่อย ๆ, ๆถ้า่ิ้งพระอัญะัยราชสี์ก็ได้แกบปัญญาถ้าทิ้ง หมายถึงพูดเป็นเจ้าของทำก็คืศาสนาผู้สอนธรรมสอนความจริงนี้มาให้พิจารณาทางความจริงนี้สริงทั้งหลายที่จำปลอมซึ่งหลอกกันมาเป็นเวลานานา น, นั้นมันจะหายไปพูดง่ายเอาอย่างนั้นเพราะกันนาผู้ที่รู้ตาความจริงทั้งหลายเรื่องความหลอกเหล่านี้จะหลอกไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ท่านไม่หลงในเรื่องความเป็นความตายพวกเราทั่วก้าตายตื่นตุน้มจึงต้องให้เรียน ฟังพระพุทธเจ้าเหมือนนพยารักษณสีขู่บางคับให้กลับขึ้นมาดูต้นเหตุที่ว่าบธาเถล่มมันถล่มจริงเหลอเนี่ยขึ้นมาดูเรื่องคํามตายมันตายจริงเหรือเนีตูเนี่ยเอาค้นหาอะไรมันมันตายมันจะจะเห็นมันจะมาตูมหล่นเท่านั้นแหละมาตูมหล่นคืออะไรก็คือความจริงมันดูการธรรมชาติของมันเท่านั้นและล่าตื่ไม่ไดเฉยแห่งสว่างแต่ผู้ที่หลอก จรงๆคืออะไรมันก็คืออวิชชาออกมาจากอาวิชชาจริ ง, รงๆค้นดุพานาจิตเป็นละเอียดละออแล้วก็รู้กันที่นั่นสลัดปักทิ้งกันที่หนักเหลือแต่ธรรมชาติรู้ดล้วนนั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วนความเบิกบึ้งโดยทิ้นเถีงเรื่องกปตายตื่นตหมด ไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละพระยาลรรักษณ์สีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญ า, าศาสนาก็หมายถึงกองค์ศาสดาประกาศสอนโลกรเรียนให้มันถึงความจรงิงเพราะความจริงมีอยู่กับทุกคนความจำลอมก็มีอยู่กับทุกคนจึงไม่หลงกันรเรียนให้เข้าถึงความจริงแล้วไม่หลง อยู่ไหนก็อยู่สบายความเป็นความตายก็สัตว์กิริยาที่มันผ่านไปผ่านมาเกิดติดตามสมมุติว่าเกิดตายเแีนะ่ยมีแต่รวมกันเข้าเป็นส่วนผสมแล้วก็สลายตัวลงไปรวมเข้าสลายลงไปมี่เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรแปขึ้นกว่า น, นั้นไปถ้าใจรู้เสี้ยนอันเดียวเท่านั้นรู้ทั้งตัวรู้ทั้งเงาแล้วมันก็มีปัญหาหลัแบบตาบอดทำช่างมันถึงยุ่งนะ พเสียงมันมีตลอดเวลาภายในตัวเองนั่นแหละถ่ายเข้าถึงความจริงแล้วก็ทช่างตัวเดียวนั่นแ่ละพอถึงความจริงแล้วก็มีธรรมแท้แเดียวภายในจใจหายความตื่นสงบตกใจอะไรย่งกระตายตื่นตุมมันหมดโลกผ่าจะมีอะไรมัง่งมากมายกายกองขนาดไหนไม่ตื่นไม่เต้นเห็นแตตามความจริงทั้งหมดที่เรียกว่าโล ก, กวิถูเนี่ยถนนรู้แจง้งโลกโลกมันเป็นยังไงรู้แจง้งชัดเจนมัน เป็นสภาพอย่างไรรู้แจ้งชัดเจนมันหมดนโลกวีถูกเป็นไม่ได้ทั้งสาวกเป็นไม่ได้ทั้งพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้ า, จายังมีพฤสดารกว้างขวางมากยิ่งกว่าสาวกอีกมากมายเราก็ให้เป็นโลกวีถูในตัวของเรานี่รู้แจ้งให้กิงในโลกแห่งขันนี้ชัดเจนไม่หลงขันไม่ม ย, ยืดขันรู้ตามความจริงของขันแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นมใย ทุกอย่างเกิดขึ้นมากน้อยจะเกิดขึ้นความจริงมีไงก็แสดงขึ้นผู้ที่รู้จะรู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนะถ้าก็จะสลายถ้าทนไม่ได้ก็ไปผู้ทนผู้ทนได้หรือผู้อยู่ได้จะอยู่ก็ผิดนั่นเองเป็นผู้อยู่เพราะไม่ผู้นี้ไม่ใช่ถูกสลายสิ่งที่จะไหนที่ทนไม่ได้ก็สลายไปผู้ที่ทนได้ถ้าพูดถึงว่าราน้าวารทนนะแต่นี้ไม่ได้ทนนั่นจริงคือรู้อยู่อย่างนั้น อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู้อะไรจะสุขจะทุกข์ก็รู้เมื่อหมดปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนภพมุติแล้วมันก็หมดปัญหาภายในจิตใจคือไม่รับท้าไม่รุ่งเรื๋ยวุ่นวายต่อไปถ้าหลักที่ทันว่าปรมาสุขขังเราจะไปหาปรมาสุขขังที่ไหนทํามจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นมันก็ปรมาสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นชื่ออันหนึ่ง ถ้าในทื่ปรามังสุด ข, ขังเมื่อถึงขนาดนี้แต่ว่าปรามังเลยปรามังไม่มีปัญหาอะไรให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอื่นมลำต้นลานนะแต่ประกาศไมยประกาศว่าเรารทานอิ่มนั้วนะกัดท้ามันไม่มีปัญหาพรารู้อยู่ในข้าในขันตัวเองเนี่อะไรจะกว้างขวางกว่ามหาสมุดมหานิยมซึ่งให้จิตแบบเรียนไหวนี่มากม า, กายการกองอันนี้แหละกว้างกว้างที่ตรงนี้ เรียนจบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวไม่ได้ไปแอ บ, บว่าเลย น, นานเลิกกันกับที่เคยพูดกันว่าป่าชา<ม>ความเกิดแบบก่เจ็บตายหมดปัญหากันหมนหมดวันนี้แสดงเป็นคนรู้สึกหนึ่งเลย